บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในมหาสติปัฏฐานในสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเอกายนมตมคือทางอันเอกที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดนั้น ไอ้ทรงจำแนกแสดงออกไปเป็นกายเวทนาจิตธรรมธรรมะสมข้อนั้นได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับในส่วนของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเมื่อกล่าวโดวยสรุปแล้วเป็นการสั่งสอนให้รู้เรื่องที่เป็นกุศลอกุศลและเป็นกลางๆตามบทสวดที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ กุศลธรรมะทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์อปยากตาธรรมะทมที่เป็นกลางๆลักษณะของธรรมะพิทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นถือว่าเป็นโวหารและเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉลาดในโวหาร วิธีการแสดงธรรมะเพื่อให้สอดคล้องกับจริตนัตยาศัยของบุคคลจึงมีความหลากหลายไปด้วยประการต่างๆนั่นเป็นเรื่องของพระประยัติธรรมที่เรื่องที่จะต้องศึกษาแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วย่อมยุติการลงการสมกันในกรณีที่เป็นกุศลกานโนผลให้เกิดขึ้นเป็นความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นอักศรก็อำนวยผลให้เป็นความทุกข์ตามขั้นตอนที่บุคคลเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในยะแห่งธรรมะกว้างไกลออกไปจะได้นำธรรมะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาวพุทธนั่นก็คือเรื่องสโสลตปัญหาเป็นการแสดงแบบธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่โดยนัยะหนึ่งโดยอิทธิปริยาหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่มุ่งขัดเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติให้เกิดความสะอาดความสงบความสว่างทางปัญญาขึ้นภายในจิตใจของตนพระธรรมเทศนาหมวดนี้มีข้อความอันเป็นเบื้องต้นว่าริมฝั่งแม่น้ำโคทาวรีทางอินเดียค่อนไปทางใต้ มีพระามท่านเดึงได้ตั้งอาสมอยู่มีลูกศิธิ์ทูกหาเป็นจำนวนมากจึงว่ากันว่ามีถึง1มืนพท่าน ม, มีประชาชนเคารพนับถือเป็นนันมากจนถึงก็ตั้งสวยให้บำรุงสํานักของท่านพรามพาวีพระามภาวรีนั้นเป็นบุคคลที่มีรูปร่างงามเป็นพิเศษซึ่งในสมัยพุทธกาลบุคคลที่มีรูปร่างงามใกล้เคียงพระพุทธเจ้า ก็มีอยู่4หท่าน4่ท่านด้วยกันคือพรามภาวรีอคิทัตปุโรหิตพระมหากัจจายณนะและพระนันทะติระซึ่งเป็นพุทธอนุชาแต่ลักษณะของท่านเหล่านั้นไม่ถึงกับสมบูรณ์ด้วยมหาปริะลักษณะคือไม่ครบทั้ง3 2บประการแต่ก็มีอยู่หลายประการพรามภาวรีเป็นคณาจารย์สั่งสอนลทัทธิมาเป็นเวลานาน ต่อมาวันหนึ่งแต่มีพราหมณ์คนหนึ่งมาในทํานองพิขาจารย์มาขอให้พราหมณีบริจาคบำรุงท่าน500กรกหาปณะนะพราหมณีไม่ยอมให้แกก็สา์แช่งบอกให้ศีรษะแตกให้ศีรษะทำลายไปพราหมณีก็กลัวตกใจในคำสาบแช่งเหล่านั้นเพราะพราหมณ์ผนนั้นได้กูไว้เป็นนั้นมาก นอนไม่หลับกระสับกระสา่ายอยู่เป็นเวลานานเทวดาตัวหนึ่งมีความอมนุเคราะห์ต่อพราหมาเผลีจึงปรากฏตัวมาบอกว่าคำสาบแช่งของพรามณ์นั้นเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอกพระพรามนั้นไม่รู้อะไรคือศรีรษะไม่รู้ว่าธรรมะอะไรที่ทําให้ศรีรษะแตกไปโดยซ้าําไปคําสาบแช่งของพราม์จะเกิดผลจริงได้อย่างไร รามภาวรีก็ถามเทวดาว่าในโลกนี้ใครรู้สีรษะและทำเป็นเหตุให้สีษะแตกทำลายไปเทวดาก็บอกว่ามีแต่เพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อรามภาวรีสอบถามถึงที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเทวดาก็บอกว่าเวลานี้ประทับอยู่ที่ปาสาทเนจดีเมืองไผ่สาลี ท่านพรรมก็เรียกทุกศิษย์ทั้งส6คนซึ่งเยสชิตมานพเป็นหัวหน้าพร้อมโดยบริวารให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามปัญหาก่อนที่จะไปมานพเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าพระามภาวรีก็แนะนำให้สวจดูลักษณะคือมหาปริศาลักษณะบางประการที่ปรากฏแก่สายตาในขณะประทับนั่ง จในดูที่ระหว่างพระโน่งหรือที่ประบัติที่ประภาคเป็นต้นซึ่งเป็นข้อที่สังเกตกาหนดได้ง่ายมานุษย์ทั้งสิบหกคนนั้นได้พร้อมกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะคือท่านเหล่านั้นปรากฏในข่ายพระญานของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงประทับรออยู่ที่ป่าสาราเจดี ทำกลางพระสงฆ์ที่เป็นบริวารเป็นนันมากอาชิตมานพพร้อมด้วยเพื่อนฝูงที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วสวดดูลักษณะต่างๆก็มั่นใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อต้องการจะทดลองว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูจริงหรือไม่ก็กราบทูลถามถึงประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ภาวรี พ ร, ระบุรีพระพักตเจ้ารับสั่งเล่าประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ภาวรีว่าพราหมณ์ภาวรีเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลแตกฉานในใจเพศและเวททางกษัตริย์ตลอดถึงอิติหาแศาสตร์กันทุศาป็นต้นส่วรวมแล้วก็แตกฉานในศาสตร์หประการด้วยกันเป็นสิทธิผู้สั่งสอนเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนสิทธิเป็นจานวนมากและที่สําคัญก็คือว่า เรืนี้เป็นผู้เฒ่าอายุตั้งร้อยี่สิบปีแล้วเมื่ออาชิตมานพได้กราบทูล ถ, ถามถึงลักษณะนิสัยเดยพื้นฐานทางสติปัญญาพระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงให้ทราบว่าพระมภารีมีพื้นฐานทางสติปัญญาสูงรอบรู้ในเรื่องต่างๆซึ่งแต่ละข้อที่ทรงแสดงชี้แจงไปนั้นทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นภายในใจของอาชิตมานพและมานพทั้งหลาย จึงเริ่มต้นคำกราบทูลถามคำเล่าถึงคำสาบแจ้งของพระหมพุ้นั้นว่าอะไรได้ชื่อว่าศรีรษะและธรรมะอะไรที่ทําให้ศรีรษะแตกไปพระบรมมีพระภักเจ้าจึงทรงบินิชัยว่าอวิชานั้นชื่อว่าเป็นศรีรษะและธรรมะที่ทําให้ศรีรษะแตกไปนั้น เฉพาะในที่นี้ทรงยกเอาอินทรีย์หประการกับอิทธิบาท4ประการขึ้นมาในตอนนี้มีข้อความที่พึงศึกษากำหนดในตอนต้นก็คือเรื่องของศีสะเจ้าพบาโลกนั้นประกอบด้วยศีสะสองีสะศีสะส่วนที่เป็นโลกิยะคือขั้นที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนั้น มีวิชาเป็นศีรษะเป็นการพูดโดยอาศัยรูปธรรมให้บุคคลมองเห็นเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นจะเคลื่อนไหวทำอะไรได้ก็ต้องอาศัยศีรษะแต่ถ้าหากว่าศีรษะขาดไปคนก็จบสิน้นดังนั้นจึงมีศีรษะอีกด้านหนึ่งได้แก่อรหัตมรรคหรือ อ, ร ห, ร, อ, อรหัตผล คือการที่บุคคลใช้ความเพียรพยายามจนบรรลุอรหันต์ท่านผู้นั้นก็เข้าถึงศีสะชั้นที่เป็นโลกุตระหลุดพ้นจากกระแสะของโลกแต่ในแง่ของโลกแง่ของสังสารวัฏแล้วสราบใดที่ศีสะเกลวิชากไม่ได้ถูกตัดไม่ได้ถูกทำลายไปการหมุนเวียนในสังสารวัฏประสบความทุกข์ความสุขขึ้นขึ้นลงลง ตามแรงของกา ร, รแะแรงของกิเลสแห่งบุคคลเหล่านั้นก็ต้องไปอยู่สับนั่นอวิชชาจึงว่าจึงชื่อว่าเป็นศีสระในด้านโลกียธรรมคือนำศาสต์ให้เวียนว่ายตายเกิดตัวในสังสา ร, รวัฏเ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอาวิชชานันคืออะไรก็ตอบได้ได้ว่าอวิชชานั้นตปโดยทั่วไปก็คือความไม่รู้ แต่ถ้ามองกันในแง่ของหลักจริงๆแล้วเป็นความรู้ที่ไม่แท้จริงเป็นความรู้ถึ่ใช้คำว่ า, ากุปธ ร, รรมคือการเริ่มได้เปลี่ยนแปลงได้อาจจะรู้แต่ก็กลายเป็นไม่รู้ในจุดหนึ่งได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแม้จะรู้เรื่องอะไรก็ตาม แต่ไม่สามารถถ่ายถอนบัณฑทอนกิเลสที่เกิดขึ้นด้วยความยึดความติดในสตัตว์และสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราลงไปได้ขอบข่ายของความรู้ระดับนี้ก็คงอยู่ในขอบข่ายของอวิชชานั่นเองอวิชชานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปคือความรู้ไม่จริงใน8เรื่องด้วยกัน สีเรื่องแรกก็คือความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่า <c oughs> ตรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะจำแนกสดแสดงออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็สรุปรวมลงที่อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการแต่ในชั้นทั่วๆไป บุคคลได้ศึกษาเรียนรู้มาระดับของปริยัติว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรรคชื่อว่าอริยสัจยังรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุกข์กัลักษณะเกี่ยวลักษณะของความทุกข์ลักษณะของสมุทยัยลักษณะของนิโรธลักษณะของมรรคไปซ้ำไปในชั้นหนึ่งบุคคลสามารถน้อมนําเอาสิ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นความดับทุกข์และข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ มาพินิจพิจารณาจนเห็นด้วยปัญญาระดับหนึ่งว่าเป็นทุกจริงเป็นเหตุเกิดแห่งทุกจริงเป็นความดับทุกจริงและเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกจริงก็ตามแต่ถ้าหากว่าความรู้ทั้งสองขั้นนี้คือขั้นของการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสและขั้นของการนำไปพินิจพิจารณาด้วยใจยังไม่มีกําลังมากพอที่จะกระจัดกิเลสออกไปได้ หรือสว่างไม่มากพอที่จะขจัดความมืดได้ครอบคลายของความรู้ทั้งสองระดับนั้นก็คงเป็นอวิชาอยู่นั่นเองดังนั้นครอบคลายของอวิชาจึงครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติไปไกลเป็นวิสัยของพระอาหารหันต์พวกเดียวเท่านั้นที่จะตัดอวิชาออกไปได้แม้แต่พระริยบุคคลสามระดับข้างตน้นก็ยังละอวิชาให้สิ้นเชิงไม่ได้ วิชาอีกสี่ข้อที่จริงก็เป็นผลต่อเนื่องกันคือถ้าหากว่าบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ี่ประการแล้วความไม่รู้อีกสี่ประการก็ชื่อว่าถูกรู้ตามไปด้วยเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับการที่บุคคลต้องการหาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่มืดเมื่อไม่พบสิ่งนั้นก็จุดแสงสว่างขึ้น ให้จุดแสงสว่างขึ้นแล้วรัศมีของแสงนั้นได้กระจายครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นซึ่งบุคคลไม่ต้องการจะหาแต่ก็ได้ก็ไปเห็นสิ่งนั้นต่ําไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นอยู่ในความมืดใกล้ๆ ก, กันนั่นเองความไม่รู้อีกสีข้อก็คือความไม่รู้อันเป็นส่วนอนิติหรือกนธา้าอายยตนะเป็นส่วนนิติความไม่รู้ในเรื่องอนาคต ความไม่รู้ทั้งอดิธนาคตและความไม่รู้ในกฎของปัจจยการหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งข้อนี้จะพบว่าสามข้อแรกเป็นเรื่องของยาที่จะรู้ได้ไปจากแจ้งแก่ใจท่านที่รู้อริยศาสตร์ทั้ง4ประการก็ทำยาได้บังเกิดขึ้นความไม่รู้ในส่วนนั้นก็ต้องหมดไปและส่วนของปัจจจการหรือปฏิจจสมุปบาทนั้น แต่จริงแล้วก็เป็นอาการของอริยสัจอีกในยะหนึ่งซึ่งทรงสแสดงรูปที่ปรากฏชัดเพียงสามข้อคือสมุทยัทยสัจได้แก่วิชาตันหาอุ ป, ปาทานได้กันนอกนั้นก็เป็นทุกขสัจและทรงสแสดงนิโรธสัจว่าเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับเป็นต้น แต่วันนี้โรคจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้จําเป็นจะต้องอาศัยการปฏิบัติกระทาให้สมบูรณ์ในอริมัชทั้ง8ประการเพราะงั้นอริมัชแม้ไม่ปรากฏในปฏจยการก็ชื่อว่าปรากฏความรู้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือความรู้ในอริยสัจและความรู้ในอริยสัจก็คือความรู้ในปฏิจจสมุปบาท ความไม่รู้อีกสามประการเกิด อ, อดีตนาคตทั้งอดีตนาคตก็เชื่อหมดตามไปด้วยแต่ตราบใดเทววิชายัางไม่ถูกขจัดไปศีรษะในชั้นโลกิยะก็ต้องมีอยู่ศักนั่นแม้จะมีความประณีตสูงสงขึ้นมาอย่างไรก็ยังอยู่ในวิสัยของวัฏตะคืออยู่ในอำนาจของวัฏตะมีการหมุนวนอยู่ในวัตฏะจนนั้นบังเกิด ในสุดท้าวาดซึ่งเป็นพรหมโลกชั้นสูงสุดก็ยังมีสีษะเือวิชาอยู่ดังนั้นสิ่งนี้ข้อนี้โดยโวหารพระพุทธเจ้าจิงทรงใช้คำว่าเป็นสีษะเพราะเป็นเหตุให้มีความเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ทำผิดทำถูกอยู่และธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นเครื่องทำลายสีษะนั้น ก็เป็นลักษณะของโมหารละเทศนาเช่นเดียวกันโดยทรงยกเอาธรรมะห้าข้อกับอิทธิบาทอีกสข้อรวมแล้วก็เป็น9ข้อแต่ใน9ข้อนั้นเองเป็นการพูดถึงอริมัคมีองค์8ประการเพราะฉะนั้นจะยกอริมัคมีองค์8ประการในยกอินรี่ข้ออิทธิบาทสีขึ้นมาก็คือกัน อินทรีย์ทั้งห้าประการนั้นเป็นสังเกตว่าจะมีความเกี่ยวข้องในการประิตปฏิบัติของบุคคลทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโน้มน้อมเข้าหาศาสนาก็ต้องมีพื้นฐานทางอินทรีย์อยู่ในระดับถ้าอินทรีย์ยังอ่อนเกินไปจะรู้สึกชายเย็นต่อกุศลนธรรมทั้งหลาย จะมองกุศลและทำเป็นภูเขาที่ขวางกั้นความสนุกสนานเพลิดเพลินของตนมองกุศลแลรทำเป็นการบีบบังคับเป็นการกดขี่ตนเองให้สูญเสียอิสรภาพดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อก่อนจะแสดงธรรมะโปรดใครก็ตามก็จะทรงตรวจสอบอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมะพร้อยตามอินทรีย์ ในชั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเพิ่มพูนอินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆและมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันเรื่อยไปจนถึงอรหันต์แต่ความเข้มข้นคุณลักษณะของอินทรีย์ก็แตกต่างกันขึ้นไปประการแรกก็คือสัจทินทรีย์อินทรีย์คือศรทัทธาความเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อมีความเชื่ออย่างอย่างลงมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้า ทั้งเก้าประการที่สวดกันโดยบทว่าอีติปิโสหรือสามประการที่สวดกันโดยบทว่าพ ut ุทโธสุส ah ุทโธกรุณาหมันนะบุได้แก่พระปรรัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหกรุณาคุณต้องเป็นความเชื่อที่มั่นคงจริงๆแม้จะมีเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่สามารถจะโยคลอนบัณฑอนความศรัทธาที่มีอยู่ใน พระพุทธเจ้าให้ผ่อนคลายลงไปได้ในข้อนี้ได้ทรงแสดงลักษณะของศรัทธาที่มั่นคงว่าแม้เขามอบตาแหน่งพระเจ้าจกักรพรรดิให้โดยมีเงื่อนไขว่าให้ปฏิเสธคุณพระพุทธเจ้าคนประเภทที่มีศรัทธาจริงๆจะไม่ยอมปฏิเสธจะยอมอยู่อย่างที่ตนอยู่โดยมีความเชื่ อ, อมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไปไม่งอเง่ไม่คลอนแคลน และมีกำลังมากพอในการายจัดอสัตยทิยะคือความไม่เชื่อออกไปได้ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าขาอนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าเป็นการลงกันสมกันกับ ท, ทุกจุดที่ทรงแสดงไว้โดยในยะอืน่นจะทรงแสดงลักษณะของโสตาปฏิยังคะคือองค์กุณที่ทำให้บุคคลใกล้ถึงพระโสดาบันไป ก็ได้กการที่บุคคลมีความเชื่อมั่นคงในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์และในสินสมาธิปัญญากับจิตใจไม่ผ่อนไหวไปด้วยความโกรธการกระทบกระทั่นทางใจซึ่งก็หมายความว่าอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นแก่กล้าแก่กล้า ม, มากพอที่จะบรรลุมรรคผลเบื้องสูงข้อที่สองวิรยินทรีย์อินทรีย์คือความเพียรพยายามที่เป็นไปท้งทางกายและทางจิต มีความไม่หวัดวันพร่านพรึงเป็นลักษณะไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือส่วนานมามธรรมก็ตามความเพียงที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่หวั่นไหวโยคร่อนจนสามารถไขจัดความเกียดคร้านทุกลักษณะทุกรูปแบบที่ปรากฏชื่อโดยอะไรก็ตามเพราะบางครั้งบางคราวความเกียดคร้านนั้นจะปรากฏในรูปมิตร ถามว่าบุคคลไม่เข้าใจชัดเจนก็จะถูกความเกียดคร้านั้นครอบงำใจแล้วทอดถอยไปในโอกาสภายหลังแต่ความเพียรที่เกิดขึ้นในลักษณะของมิญินีคือเป็นใหญ่จริงๆนั้นจะกระจัดความเกียดคร้านทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นอ้างสุขภาพปลานามัยเป็นการอ้างเวลา เป็นการอ้างภารกิจต่างๆเป็นต้นแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติพึกขัดเกลาจิตใจของตอนเองให้มีความสงบสะอาดประนีเข็นวิริยินทรีในลักษณะนี้ก็คือส ม, มาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบในองค์อริมักนั่นเองประการที่สามคือมีสตินทรีอินทรีคือสติที่เป็นใหญ่เหนือความพรั่งเผลอ ความเผลอเรอความหลงลืมความลุ่มหลงแห่งสติซึ่งแม้แต่เกิดขึ้นเพียงช่วขณะหนึ่งก็ระลึกรู้ทันได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้จนไม่มีความลุ่มหลงความเผลอเร่อความคลั่งพลาดบังเกิดขึ้นนั่นก็คือหลักของสมาสติ เป็นไปในเรื่องอะไรเป็นไปในเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมนำจิตระลึกด้วยความซสงบเป็นสมาธิอยู่ในที่นั้นนำให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมจนเกิดรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงศักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่สําคัญก็คือถ่ายถอนความยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราลงไปได้สมาธิอินทรีย์อินรีย์คือสมาธิที่มีกําลังมากพอกระจัดความฟุ้งซ่นแทรกซ้สสายไปของจิตสามารถทําจิตของตนให้สงบ อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดยําหนึ่งจนถึงความสงบนั้นได้อย่างลงเข้าไปสู่ชั้นของฌานและนั่นก็คือหลักของสม า, สมาธิในองค์อริยมรรคได้เองปัญญนสีอินรีคือปัญญาที่มีความเฉียบคมรู้กระบวนการเกิด ของสิ่งทั้งหลายในช่วงหยาบไปช่วงละเอียดในช่วงหยาบนั้นจะดูความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเป็นต้นว่าประกอบด้วยทพสัมภาระอย่างนั้นอย่างนั้นมีเจตจำนงมีแบบแผนมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างนั้นในชั้นละเอียดรู้ส่วนย่อยต่างๆที่มาประกอบกันข้าว จะรู้การเกิดขึ้นของคนว่าสายส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมมีวิชามีตานหามีกรรมมีมีอาหารมีอายุมีอัยอุ่นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมีอายุมีอัยอุ่นมีวิญญาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญทําห้ทำให้ชีวิตเหล่านั้นสืบต่อไหลเลื่อนกันไปได้ แต่ตยามใดก็ตามอายุอยุอุ่นวิญญาณจะใดอย่างหนึ่งเกิดขาดอีกสองอย่างก็ขาดชีวิตนั้นก็แตกดับนั่นก็คือเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นแต่ต้องเกิดขึ้นในจุดที่ปล่อยวางได้พ้คนคลายความยึดติดโดยนยะดังกล่าวได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อไปเห็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ ก็ปัญญาในการชำแรกะแยกแยะสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกับ ก, การชำแหละสัตว์แยกเอาไปเป็นส่วนต่างๆในที่สุดก็หาสัตว์เหล่านั้นไม่เจอปัญญาในชั้นนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะในองค์อริยปักนั่นเองดังนั้นธรรมะในอินทรีย์ทั้งห้าประการ น, นั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดว่า มีอริยมรรคประกอบที่เด่นชัดจริงๆห้าประการคือส่วนของสมส่วนของสมาธิและส่วนของปัญญาจะ แ, แน่นอนว่าทำทั้งห้าประการนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยทะขาดศีลซึ่งเป็นส่วนของสมาวาจาสมากรมมตะและสมาชีบะแต่นั้นจึงกล่าวว่าเป็นโมหะและเทศนาพระพุทธเจ้าทรงฉลาด ในโวหา ร, หา ร, รสมแสดงธรรมะมากโดยโวหารใครจะเดินไปจุดใดก็ตามจะมาบรรจบกันเองถ้าหากว่าไม่หลงทางในการปฏิบัติ <c oughs> และเพื่อไม่ให้เกิดหลงทางในการปฏิบัติจึงทรงเริ่มที่ศรัทธาและมีปัญญาเข้ากำกับเป็นการควบคุมชิดทางของการดำเนินชีวิตการปริพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้น ให้เข้าสู่คันลองแห่งธรรมเป็นไปตามธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ส่วนอิธิบาททั้งสีประการแล้วในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วท่านไม่ได้แสดงเพียงฉันทะอย่างเดียวแต่แสดงความหมายที่เน้นถึงผลการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีนัยยะรายละเอียดเป็นมากกันจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป